เป็นทุกข์ตายเป็นสุขจริงหรือปัญหา ซึ่งผู้แสดงปฏกถาพยายามที่จะอธิบายให้ๆ แต่ความเกิดใหม่ก็เป็นสุขจริงแล้วถ้าหากคนไหนในขณะ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 มันมีกฎอยู่ว่ามันมีกฎอยู่ว่าถ้าโดยปกติในชีวิต ถ้าหากเราเป็นคนมีสันด้านดีดังที่กล่าวมาหากเราเป็นคนมีสัญดานดีดังที่กล่าว นึกคิดอะไรในขณะนั้นก็จะประกอบ ทั้งนี้เพราะอะไรนี้เพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะ ก็แสดงให้เห็นว่าแสดงให้ถ้าสังเกตเห็นได้ชัดว่าในขณะนั้นวิบากของกุศลกําลังให้ผล ในใจเต็มความไม่กลัวตายเมื่อเกิดมาแล้วคุณสมบัติของสมองความเมตตาปราณีความเสียๆ ตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่สุดถ้าหากใจเป็นสุขเพราะมีแต่ความดีต่างๆตอนที่สําคัญที่สุดถ้าหาก และมีเหตุผลพอซึ่งหมายความว่าเหตุผลพอซึ่งๆ ในเมื่อต้องประสบกับความผิดหวังบ่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็เปลี่ยนยากความปรารถนาอันมีมาแต่เดิมนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ประสบกับความผิดหวังบ่อยๆแต่ มันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ความ เช่นสมมุติว่านายกหลายชาติมาแล้ว เขาจะต้องมีพื้นฐานอย่างนั้น พระองค์เกิดก็ต้องเป็นสุขทรงแต่ก็ต้องเข้าใจความหมายให้ดีให้เป็นเกิดก็ต้องเป็นทุกข์อรหันต์ ถ้าจิตใจเป็นอีก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 คนที่กําลังจะตายเมื่อได้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 ท่านถูกคนร้ายยิงตายคานธีถูกคนร้ายยิงตายก่อนที่จะตาย อันนี้ท่านบอกว่าท่านเข้าใจดีที่เดียวท่านบอกว่าท่านเข้าใจดีที แม้แต่ท่านก็เป็นสุขก่อนที่จะตายและเมื่อตายแล้วท่านก็เป็นสุขคนที่ตายด้วยการถูกค่าว่าดื่มยาพิษฆ่าตัวเองแต่ท่าน ที่จะตายอย่างเป็นสุขจะตายอย่างเป็นสุขในขณะ ล้วนแต่เป็นภาพที่น่า คือมีคนในโลกมนุษย์ที่สามารถจะ ก็ไม่ได้นําข่าวที่แท้จริงมาบอกให้กับมนุษย์เลยความหลอกลวงเสีย ผู้รู้สึกว่ามีอยู่ทั่วไปและมีอยู่หลายประเทศได้ๆนั้นยังไม่มีเลยไม่มีหรือที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างโลกทั้งสองจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ความรู้ระหว่างโลกทั้งร่าง Νον λαβλαι κατι κραγκαι την want ใจอยู่ที่ไหน το ไกลใกล้ๆ